สวัสดีครับท่านบนช่อง YouTube ช่องเฟสไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะ จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งจิตของท่านนั้นได้ออกจากร่างไปนะครับในระหว่างที่ปฏิบัติสมาธิสมาบัติอยู่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยมีความแก่ชรามากทําให้จิต จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจนกว่าจะบรรลุธรรมหรือบรรลุนิพพานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่อ่าชาว หลวงปู่คํากนิงท่านได้เล่าว่านะครับหลังจาก 2523 แล้วเนี่ยหลวงปู่ก็ 15 วันเพื่อเป็นการ หลวงปู่คําคะนิงจึงประกาศแก่ทายกทายิกาไว้ไม่ในระหว่าง 15 วันในการเข้าชานสมาบัติครับแต่ให้ขึ้นมาทําบุญตักบาตรได้ในวันที่ 16 สมบัติต่างๆในการปดอาหารสําหรับพระกรรมฐานสายป่าครับเท่าๆที่ผมเนี่ยอ่านเรื่องราวประวัติของครูบาอาจารย์เนี่ยก็พบว่ามีครูบาอาจารย์หลายรูปที่ภาวนาสามารถปดอาหารได้นานหลาย ก่อนเข้าสมาธิภาวนาเนี่ยจะต้องกําหนดไว้ก่อนว่าเราจะต้องเข้าสมาธิลึกถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับชั้นที่ พอถอยมาอยู่ระดับอุปจาระสมาธิแล้วก็น้อมจิตอธิษฐานว่าจะเข้า 7 วันหรือ 15 วันก็อธิษฐานลงไปเลยซึ่งหลวงปู่บอก ไม่กี่วันก็ทําสําเร็จ 4 เป็นมาตรฐานนั่น 4 แล้วเรียกว่า 4 ก็ 8 ผู้ 8 นั้นย่อมมีอํานาจ 5 ใน สุดแท้แต่บุญบารมีที่เคยสร้างสมมาแต่ปาง 8 แล้วถ้าเจริญวิปัสสนาญาณสืบต่อใช้ การเข้าสมาธิภาวนาเข้าสมาธิภาวนา 7 วันหรือ 15 วันแล้วก็ออกจากฌานหลวงปู่คํากระนิงบริสุทธิ์สว่าง สงบแนวแน่แน่วแน่กระจายพลังอันมหาศาลครอบคุมสังขารร่างกายทําให้ได้ ไม่ได้ตั้งแล้วก็ไม่ได้ตั้ง 10 กว่าวันไม 15 วันด้วยการที่ไม่ขบฉันอาหารอะไรเลยการที่ไม่ครบ ละเอียดท่านได้รู้สึกว่าไปว่าท่านได้รู้สึกว่าโอ้สังขารเราหนอถึงการแตกกลับสิแล้วแต่สติ การเจริญอานาปานสตินี้ดีมากนะครับหลวงปู่บ่ออย่าง การฝึกสติและภาวนาเนี่ยมีประโยชน์ตอนตายนี้ หลวงปู่คำคะนิงท่านก็เล่าต่อนะครับว่าจิตวิญญาณของท่านนั้นพอวูบออกจากร่าง แต่ไม่ได้สังเกตว่าจิตที่ไปนั้นมีร่างกายทางที่ไปนั้นเป็นความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้ 800 วาเป็น ศาลาพันห้องนี้อยู่ในโลกวิญญาณเป็นศาลาใหญ่โตมโหราณ 8,000 วาจํานวน 8, 8 สายพุ่งไปยังศาลาพันห้อง มองเห็นแต่หัวดําบ้างหัวงอกบ้างนับไม่แม่ที่ตายไปแล้วเดินรวม มีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอกสามง่ามเป็นประกายคล้ายกับเปลวไฟลุก อหังยามหลายคนในที่นั้นฝ่ายก็ใช้หอก 3 ง่ามจี้หน้าอกร่างวิญญาณทุก ก็นําตัวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ศาลา อรรภญายมบาณเนี่ยบอกว่ามนุษย์พูดอะไรกันอยู่ในโลก พวกเจ้ารีบพากันไปอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดแล้วค่อย ตรงไปยังสระน้ําหลวงปู่คําคะนิงก็วิ่งตามไปครับ หลวงปู่คําคํานึงท่านก็ตกใจครับก็บังเกิดความได้ไฟไหม้แข้งของท่านก็ดับลง แล้วก็บังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้พรึบขึ้นมาครับแดงฉานโชทช่วงไปทั้งสระเลยคล้ายกับว่าน้ําในสระนั้นเป็น สำหรับในทดสอบบาพของบุคลของมิญ Luizaро ฝ่ายมมถูดใน 1 ก็เลยเดินตรงเข้ามา鼻ม Vielenロ lived ให้กลับเข้าไปเฯ่าพยายมมาราชน่าจะนั่นครับ เพราะรู้ว่า.. ที่สระหลา house เป็นด่านแร่ของ sortir เป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลและธรรมเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่เคยทําบาปให้กับสัตว์นี้เพราะ <อ. S 1> ส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายัง ที่ไม่ถูกพิพากษาตัดสินทําให้เกิดความจะ ควรจะเที่ยวดูชมมนรกให้เป็นกำไรหูกำไรตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยเมื่อ ทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางรวมทั้งเป็นผู้คุมนักในเรือนจำจากนั้นหลวงปู่ก็เดินรายสุดตาห้องคุมนั้นเป็นเหล็กครับก็รอการตัดยังไม่ใช่สำคัญ นักโพจหญิงอยู่ 2 คนชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้แกะผ้าเปลือยยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงฉานเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างมีเหล็กเผาไฟ ใบหน้าของหนุ่มสาวทั้งสองเนี่ยก็บิดเบี้ยว ร่างกายแหลกสลายไปแล้วด้วยอนุภาคของไฟ เป็นคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจสามีฝ่ายชายก็นอกใจภรรยาของตนคบชู้สู่ๆไม่เชื่อในศีลและธรรมคุณงาม ตายแล้วก็หมดกันไม่ๆหญิงสาวคนนี้เป็นมะเร็งในมด 40 ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่ นักเลงเล้ามาเป็นของตนเลงผู้หญิงหลอกล่อผู้หญิงมาเป็นของตนโดยไม่มีศีลธรรมๆคือคติที่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อขับถ่ายเพื่อ ก็ได้รับได้รับดึ่งราวจากยมทูตเล่าให้ฟังว่าได้ถูกสามีของ นี่ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็ถูกจอง เครื่องจองจําที่เป็นเหล็กแหลมเนี่ยที่เผาไฟแดงๆ หลวงช่วยดิฉันด้วยเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวก็ร้องวิงวอนเสียง ที่ยังไม่ได้เผาด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่ก็เลยถามต่อว่า ก่อนที่ยังไม่ตายดิฉันไม่เคยชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเลยเจ้าค่ะฝ่ายหลวงปู่คําคะเนง ส่งเสียงร้องไห้ครวญครางโศกเศร้าอย่างน่าสังเวชหลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่า เป็นคนชั่วช้าก่อกรรมทำเวรกับคนอื่นไว้มากก็มา ฝ่ายท่านยมทูตเนี่ยก็ก็อธิบายให้ฟังครับว่าในกรงเหล็กที่ บ้างก็แย่งผัวเขาวางยาพิษเมียหลวงคดีโทษที่ อ่าในบริเวณนั้นต่อครับก็รู้สึกว่าเดินตัวนี่เบาหวิวเท้าก็ไม่ กล้องต่อท่านโยมบาลว่าพวกมนุษย์ทําร้ายและทรมานพวกมันมีช้างตัวหนึ่งเนี่ยได้แก่งหัวนะครับมามันก็ร้องทุกข์เป็นภาษามนุษย์ว่ามนุษย์ใจดําอมฤตมากเอาตะขอเหล็กสับหัวมันจนเลือดไหลได้รับความ เรียกร้องให้ท่านยมทูตเนี่ยแปลเอาตัวมนุษย์คนนั้นมาลงโทษ สำหรับให้เช่นชาติก่อนเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ จากนั้นนะครับหลวงปู่คํากระเนิงท่าน พากันเดินจากเวทีมีม่านผืนใหญ่มหึมาหญิงสาว ดูชุดฉาสะดุตะเหล่านั้นก็เดินเวียงวาย มันก็บินมาตรงหน้าของหญิงสาวแต่ละนางที่ ชวนขนลุกชวนขนพองสยองเกล้าเป็นอย่างยิ่งจากนั้นๆออกมาเผยให้เห็นอวัยวะภายในเห็นตับไตไส้พุงดู ก็มีความหวาดกลัวอย่างสุดขีดพากันกระโดดหนีลงไป มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่เหมือนเดิมต่อจากนั้นก็ถูกโนบินเข้าออกเหลือแต่กายเปลือยเปล่าแล้วก็จิกหนัง เพลนก็จี้สะกัดหน้าสะกัดหลังไว้รอบไปหมดหลวงปู่จึงต้องทรมานขนาดนี้ฝ่ายยมทูต ในเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับตกแต่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา เมื่อหญิงสาวเหล่านั้นตายแล้วจึงต้องมาเสวยกรรมอยู่ในได้ ผลบุญของศีล 5 ก็คือร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนจากสัตว์นรกเนี่ยเปลี่ยนไปพบภูมิ วิญญาณสรรพรกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้มักจะ ต้องขึ้นเส้นทางนี้ไปสู่สวรรค์เบื้องสูงสําหรับอริยะบุคคลชั้นโสดาบัน รับเขาแสดงให้เห็นว่ามีบุญวาสนาขึ้นสู่สวรรค์อยู่ตลอดแม้จะมีคนบาปหนาไปตนนรกมากมายขณะเดียว ฝ่ายทั้งยมทูตก็บอกว่าผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ได้จะต้องมีศีล 5 เคร่งครัดเป็นอย่างน้อยมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่ มีรัศมีออกจากกายดูรุ่งเรืองอย่างมากพวกเขา ดูอัศจรรย์อย่างมากเป็นเส้นโค้งสวยงามยิ่งกว่าสายมนุษย์มนุษย์ที่ทําดีมีบุญญาธิการก็หลั่งไหลไปสวรรค์มากอยู่เหมือนกัน หลวงปู่ก็มาถึงทาง 3 แพ่งซึ่งก็ดูเว้งว้างเยือกนานาก็ไม่ทราบ เป็นพวกวิญญาณที่ตายก่อนกําหนดตายก่อนหมดอายุไขเพราะถูกบาปกรรมเมื่อตายหงแล้วก็ไปยังศาลาแต่ท่านพระญายมราชเนี่ยไม่เพราะพวกนี้จึงได้ขับไสให้มาอยู่ตรงชุมทางเพื่อให้เที่ยวเร่ร่อน คือผู้ที่แสวงหาที่เกิดแต่ยังหาที่เกิดไม่ เคยกลับคืนสู่ร่างในโลกมนุษย์เสียทีเถิดครับพอแดนนรกหมกม่ายยังมีอีกมากมายที่ว่าไม่ ใสคล้ายแก้วโปร่งแสงเห็นเส้นเอ็นทุกเส้นมิมีอยู่ทุกส่วนเนี่ยที่ชราภาพหนังเหี่ยวย่น ร่างของเราของเรานี้มันเป็นโพรงที่ขังอวัยวะเหม็นเน่าสกปรกไว้แท้ๆคนเรายังมาหลงๆไม่อยาก ที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่เท่านั้นเมื่อหลวงปู่ มีกลิ่นเหม็นเน่าสกปรกโสโครกก็ตามเราจําเป็นต้องฝืน ก็ทําให้มีญาติโยมเนี่ยเข้ามาแสดงความดีอุดดีใจกันมากแล้วก็หลั่งๆพอหลวงปู่ ประพฤติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องทรมานในนรกอย่าได้ถัดบันประกันพุ่งโดยเด็ดขาดถ้าเกิดมีชีวิตอยู่เนี่ยจงเร่งรีบทำความดีเพื่อจะจะได้ไม่ต้องลงนรกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่คำขนิงครับท่านได้จิตหลุดออกไปก็เหมือนการตายอันหะละนั่นแหละครับ แล้วก็เห็นทางขึ้นสวรรค์ด้วยนะครับหลวงปู่ก็เลยนําเรื่องราวนี้มา ซึ่งก็เป็นหนังสือที่เก่าแล้วพอว่าผมก็ได้มาจากๆเนี่ย ผ่านบน YouTube ของ Face Thai Story ผมก็จะมีเรื่อง Face Thai Story แห่ง Facebook ด้วยนะครับที่สวัสดีครับ